นะโมตตะมักะวะโตอะระหะโตสั ม, มาสามพุทธะสัมบัตินี้ทากตั้งจิตตั้งใจการที่พวกเราท่านทั้งหลายแังพระภิกษุสามเณรในอุบาสกอุบาสิกาผู้มีการแสวงหา ทางพ้นทุกข์ใครใครก็อยากต้องการความสุขแต่เมื่อต้องการความสุขแล้วก็ต้องการที่เฉยจะไม่มีความผาด ค, ควมเพียนสแสวงหาในการเดินทางการปฏิบัติปฏิบัติมันก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนบุคคลตกอยู่ในความเราร้อน นั่งงมทมทุกแต่ไม่หาวิธีออกจากสิ่งที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนเหล่านั้นไม่ตีตัวออกก่างความร้อนก็แผ่เผาอยู่เท่าเดิมอย่างจิตใจของบุคคลที่มีกัดกุ้มควา ม, มาทุกข์อยู่ในจิตใจแต่ไม่ใฝ่พัญหาวิธีจะแก้ไขจิตใจก็รุ่มร้อนอยู่ตลอด ก็เหมือนบุคคลที่มีความโกรธความเกลียดชังกันในกันถ้ า, าไม่ขยันมันเพียนหาวิธีละความโกรดนั้นก็ชีตามไปทุกพบทุกทราบไม่ขาดสายประเทศใดพบใดก็จะมาโกรธอย่างเดิมความโลภโลภทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ า, าเราไม่พากันขยันมันเพยนนียนหาวิธีแก้ไข ความโลดโลภติดอยในจิตใจไปทุกภพทุกชาตาอย่างเดิมความรุ่มหลงก็เหมือนกันอาเรารุ่มหลงอยู่เราไม่พาคันหาวิธีวัละปุงปล่อยวางออกไปจิตใจก็ย่อมรุ่มหลงอยู่อย่างเดิมอย่างฉะนั้นจึงเรียกว่าอ่าการเปนว่าใจเกิดในวัฏฏุสารเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ในจิตใจของตน ด้วยกันทุกคนพระพุทธ อ, องค์จึงทรงทั้งสอนว่าเป็นอุปนิสัยปฏจโยกับสัตว์ทั้งหลายเป็นอุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายที่การเป็นว่าตายเกิดอยในวัฏสงสารวนเวียนอยู่เจ็บข้อมูลทั้งหลายนั้นติดตามตนเองไปเรียกว่ากรรมนั้นติดตามให้ผลแก่บุคคลผู้กระทําเอาไว้กรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์อยู่ในกลุ่มไหนหมู่ไหน คนทั้งหลายอยู่ในหมู่ที่ไม่ดีก็ไม่ไดีไปด้วยกันอยู่ในหมู่ที่ดีก็ดีไปด้วยกันด้วยอำนาจของกรรมถ้าพวกเรามาพินพจารณาดูแล้วคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมและด้วยอุปนิสัยที่สาต์โลกทั้งหลายทํากรรมอ น, นั้นเอาไว้ ดันะนั้นพวกเราจึงมีความตั้งใจที่จะพากันศึกษาเพื่อให้รู้รู้ว่ากรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่ติดตามตัวของพวกเรามาไม่ตามจิตของพวกเรามาจิตของพวกเรานั้นไม่มีตายตกเก็บข้อมูลไปทุกๆทุกชาติแต่รูปร่างรายนี้เกิดมาแล้วก็ตายเกิดแล้วมาก็ตายทุกภพกทุกชาติกันอยู่ การเยียนไหยในวัฏฏะทุสารในไม่มีที่ชิ้นสุดตรงได้ก็คือพวกเรา ท, ทั้งหลายนี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขความโลดและความโกรธความหลงให้หมดจากดวงใจของตนมันก็เยี่ยนไหวตายเกิดเลี่ยนวนเวีย น, นยในวัฏฏะทงสารเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และอนาคตที่จะเป็นไปถ้าหากเราแก้ไขไม่หมด ปัดเพื่องออกไม่หมดรถละออกไปไม่หมดแล้วก็ต้องเกิดอีกแน่นอนเราอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีทางเหตุฉะนั้นจะตายแล้วจึงเป็นเรื่องถึงคุมเกิดเรื่องความเกิดจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวนักปฏิบัติความเกิดนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากส่วนความตายนั้นเราก็นแน่นอนที่สุด เ่าอย่าไปคิดว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายต้งตายแน่นอนเหตุฉะนั้นความเป็นอยู่เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้ความตายเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้ากรามานึกดูเช่นนี้แล้วความเกิดความตายของคนนั้นแล้วแต่อานาจของกรรมทางบุคคลก็เกิดมาอายุนิดหน่อยเท่านนั้นเล็กๆน้ๆๆๆอยๆก็ไปกันเรื่อยๆอยู่ บางคนก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวมังคนก็ทํามกลางคนมังคนก็มาเท่ามาแก่บางคนก็อายุถึงเก้าสิบปีร่อยปีก็มีแล้วแต่อันนาจของกรรมหมดเมื่อเรามาคิดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพากันตั้งใจที่จะศึกษาหาวิธีลดละ ความชั่วทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงที่มันติดอยู่ในจิตใจของพวกเราจึงได้พากันตั้งใจเพื่อจ ะ, จ ะ, จะเจริญเมตตาภาวนาไปผลอบรมจิตใจให้จิตใจเหล่านี้ละสงบถ้าจิตใจไม่สงบไม่ค้นคั่วหาที่นี้ยากเสน ย, ยากแสนลาบากที่จะมองเข้าไปดูนั้นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั้นมองเข้าไปดูยาก เขียนยากไม่เกินข้อกิเลสนั้นเขาอยู่ที่ในจิตใจของพวกเราเราไม่ฝึกจิตใจให้จิตใจของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิเราก็ไม่เห็นตัวของกิเลสภาพเป็นอย่างไรจึงได้พยายามจะฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้สงบไม่ได้เราจึงจะได้ชนิดพิจารณาแก้ไขได้การฝึกฝนอบรมจิตใจจึงมีเรื่องใหญ่ แต่พุทธองค์ทรงสอนเอาไว้มากมายหลายที่สรุปลงมาหาทั้งจิตใจหมดถ้าบุคคลนั้นจะคิดเรื่องวาจาหรือเรื่องกายเฉยๆนั้นบุคคลทั้งหลายบางคนนั้นเขาบอกว่าที่สอนเอาไว้ว่ากายวาจาปกตินั่นเป็นศินหรือกายวาจาปกติเป็นสินเพียงแค่นั้นแต่ไม่เน้นนึกถึงว่า กายวาจาใจนั้นปกติจึงจะเป็นคนที่ได้สินแน่นอนการักษาสินก็ดีอันนี้เกิดออกมาจากจิตใจทั้งนั้นเองเพราะเราจะมองก็เปลี่ยนชัดเจนเลยว่าคนจะมีสินได้ก็ต้องแต่จิตใจใจงเป็นคนมีสินต้องมีจิตใจที่งดเว้นเท่านั้นเองแนวสินทั้งหลายของญาติโยมสินห้าก็ดี หินแปดก็ดีหินสมานเณรสิบก็ดีหินทัพพิสุสอ์ก็ดีสองยบเจดข้อนั้นก็ดีก็คือมีตัวเจตนาตัวเดียวที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าเจตนาหั่นพิกเกเรซีลํบานามิดูก่อนพิกสุทั้งหลายเราตะถาคว่าตัดว่าเจตนาเป็นตัวสิ่ง ตัวเจตนานั้นมาจากไหนมาจากจิตใจเท้งนั้นเองไม่ใช่มาจากวาจาและมาจากกางังกายวะเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติต้องพยายามที่จะสอดส่องมองเข้าไปลึกๆไม่จะเห็นได้ชัดเจนโอ้มาจากที่นู่นเองคนจะมีสินได้ถ้าใจไม่มีสินแล้วมันก็จะโผล่ออกมาเรื่องปากเรื่องกายนั้นโลกเขาวุ่นวายกันอยู่ทั้งโลกขาดจากหลักพิธธรรม จึงทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในทั่วโลกพวกเราท่องทั้งหลายก็มาฝึกฝนอบรมที่ใจของเราเนี่แหละเพื่อจะให้เข้าใจว่าเออสิ้นอยู่ที่ไหนสมาธิความสงบอยู่ที่ไหนความสุขนั่นก็อยู่ที่ไหนเราก็จะมองเข้าไปหาที่จิตใจคือมาฝ่าการฝึกฝนอบรมจิตใจการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นงานภายในงานละเอียด ถ้าหากพูดตามทางโลกของเราแล้ว <c oughs> เรียกว่างานหนักงานหนักงานละเอียดงานพาณีถ้าหากเราไปคิดว่ามันหนักมากเกินไปเราก็จะผ่ากันฝุกขาดไม่ได้อืเราควรที่จะนึกถึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจนี้มันก็จะค่อยเป็นค่อยไปฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ ่มันฝึกได้เหมือนกันั้งแต่คนมีความโกรธ ถ, ถ้าคนรู้จักการฝึกก็ยังจะละได้ความทุกข์ใจก็เหมือนกันคนฝึกที่จิตใจก็จะหาวิธีละทุกข์จากใจได้เหมือนกันนั้นแหละก็คนฝึกได้เท่านั้นไม่ใช่ของที่จะฝึกไม่ได้ครูบาจารย์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายหลวงสมเด็จพระธรมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ฝึกฝนอบรมทิตใจ เนี่ยฉนั้นจึงฝึกได้พระองค์ฝึกได้พระองค์ ก, งก็หลุดพ้นไปพระสาวกทั้งหลายก็ฝึกได้ก็หลุดพ้นไปต่างๆกันแต่มาถึงครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันองไหมท่านฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านได้ท่านก็ต้องหลุดพ้นไปเหมือนกันในในปัจจุบันนี้กํลาลังบําเพ็ญอยู่พระภิสุสัมมิเนในอมบาสกอุมบาศิ ก, กาก็เหมือนกันก็สามารถจะ เข้าใจในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถลดละความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนเองได้นั้นจะเป็นเรื่องที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันสงบจนได้เพราะเราจะไปดูตรงนี้เพราะความรอดความโกรธความหลงมันอยู่ในที่ใจของเราไม่ใช่มันไปอยู่ที่ป่าที่เขาที่ถ้าที่เหวที่ใดนั่นเลยไปอยู่ที่ ต่างๆที่อื่นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนมันอยู่ที่ใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะมาดูอยู่ตรงนี้การฝึกฝนอบ ร, รมจิตใจจาให้จิตใจสงบนั้นเมื่อพวกเราพากันนั่งทำสมาธิอยู่นี่แหละทำนั่งอยู่ดีๆวางกายให้ดีๆหายใจให้สบายดีๆและไสสตคิคือความระลึกได้คำสัญญาคือความรู้ตัวจิต ค, คือความคิด โอ้ตรงนี้เองเรียกว่าจิตคือความคิดใครก็มีความคิดเหมือนกันความระลึกมันก็มีสติมันก็มีความรู้ตัวมันก็มีเหมือนกันหมดนี่แต่ว่าใครจะระลึกเร็วรู้เร็วเท่านั้นเองแต่เท่าทันจิตของตนเองคิดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญการฝึกจิตใจเพราะเราท่านทั้งหลาย การฝึกจิตใจนี้อาศัยทึ่มสติว่ามาลึกว่าจิตคิดลองดูสิเราละลึวลวลกว่าจิตคิดถ้าจิตที่นตนเองคิดคำปรสัญนี้คือคงรู้ตัวว่าจิตของเราคิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คิดอยู่กับตนกับตัวไหมหรือคิดอยู่ที่อื่นดูเข้าไปตรงนี้ถ้าเรารู้จักว่าเออจิตของเราเนี่ยมันไม่คิดมันคิดไม่อยู่กับตัวเราเนีย เราจะให้อยู่กับตัวกับพ่อธรรมกับมารฐานกับลมหายใจเขาออกแต่มันเกิดไปคิดอยู่ที่อื่นวันนี้เราจะฝึกจิตใจของเราเพื่อให้มันสงบเร็วนั้นก็คืออะไรเราอย่าไปคิดอะไรในหน้าว่างหยุดกําลังทำข่มเพียนอยู่นี้อย่าไปคิดถึงกิจการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะได้ทําไปทั้งหน้าเรื่องอนาคตอย่าไปคิด เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่ากเก็บมาคิดลางออกไปพปงออกไปเสียเรื่องอดีตผ่านมาแล้วก็ให้แล้กไปเรื่องอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคํานึงถึงมันมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างมันแล้วอย่าไปคํานึงถึงมันสิ่งนั้นมันยังไม่มีไม่เกิดขึ้นแล้วควรที่จะวางเมื่อวางอดีตอนาคตแล้วแับ น, นี้เราจะมาดูว่า จะไปคิดไปติดอยูดด่กับอะไรกานวางจากกัดจิตการงานหน้าที่หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้เรามานั่งอยู่ในพิภารแล้วนั่งจำเรื่อเมตตาภาวนาแล้วละออกจากเครนสถานบ้านช่องปล่อยไว้นั่นแหละอยไปคิดถึงเหมือนบ้านช่องก็ดีของใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยวางไปให้มันหมดไปคิดกับอะไร การวุ่นวายกับบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันก็วางบุคคลทั้งหลายนไว้ก่อนไหนญาติโยมก็ดีสามีภรรยาอะไรก็อยู่ใครอยู่มันกอ่อนระยะปฏิบัติลูกเต่าล้านเลนอะไรก็ทิ้งไปหมดเช่นก่อนอย่าไปคิดไปยุ่งกับเขาเวลาเรากําลังนั่งทำสมาธิอืมเหตุฉะนั้นเราก็ควรที่จะรู้จักปล่อยวางซึ่งเหล่า น, นั้นออกให้หมดจากดวงใจของเราเชก่อน วันนี้เราจะจะนำจิตใจความคิดทุงคนมาไว้กับขอ้อธรรมกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกเอามาไว้ทางนี้จิตที่ความคิดน่ละมาคิดดูลมลองดูอย่าให้ไปยุ่งกับอะไรเดี๋ยวคิดอยู่ในปัจจุบันว่าจิตของเรานั้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกอรู่นี่รู้อยู่เอาความคิดมาคิดดูอยู่นั่นอย่าให้ไปคิดถึงอะไร ทำให้เหมือนอยู่คนเดียวเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ห ล, ลายหลายคนแต่ทำให้เหมือนอยู่คนเดียวอ ย, อ, อ, ยใใอย่าไปคิดถึงใครกาลังนั่งอยู่ใกล้ๆกันอย่าไปคิดถึงใครตรงนั้นปล่อยวางหมดให้เหมือนเราอยู่คนเดียวลองดูซิอันนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันเจ็บแข้งเจ็บขาก็อย่าไปยุ่งมันเรื่องแข้งเรื่องขาเรื่องตนเรื่องตัวอะไรต่างๆปล่อยให้มันสบายสบาย หายใจสบายสบายนั่งกายให้ตรงๆให้อยู่ที่ไหนนั่งสบายที่สุดมันนั่งแบบไหนแล้วนั่งสบายที่สุดให้นั่งแบบนั้นซึ้งยมผู้หญิงผู้ชายก็ดีภิกษุสัมาเนนก็ดีนั่งแบบไหนที่มันสบายอยากไปขับบังคับร่างกายว่าให้นั่งคาตมาเพชรให้นั่งคาตมาเรียบร้อยอย่างนั้นนี่ไม่ต้องคิดเพราะสังขารร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกัน บางคนมันก็ขัดข้องว่าเข่าบางคนมันขัดข้องโคนขาบางคนก็ขาแข็งบางคนก็ขาคดมันเอามันทําแบบเดียวกันได้ยังไงเราจะไปฝึกที่จิตใจของพวกเรานู่นไม่ได้มาฝึกที่ขาอืไม่ใช่มาทําสมาธิที่ขาที่แขนวางไว้ให้เป็นที่ท่าสํารวมเฉยอันบางมือัวทักมือใช่ขาขวทักมืออืขาใช่ ตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นมันก็แล้วแต่ร่างกายของคนบางคนจะนั่งตรงได้อย่างบางคนมันหลังกดๆบางคนก็หลังแอ็นๆบางคนก็เอียงๆบ้างขาต้องไม่เท่ากันดังฉะนั้นเราไม่ได้ควบคุมอยู่ที่ขาเรามาควบคุมที่จิตใจอย่างให้จิตใจของเราสงบถ้าอย่างนั้นคนที่การต่างๆนั้นเราไปบังคับเขาได้อย่างไง คนขาขาดแขนขาดบ้างคนที่ขาสั้นขายาวบ้างขาหลีก้าใหญ่บ้างเนี่ยนี่ก็จะนั่งได้อย่างไรแล้วมันจะมาฝุกที่จิตใจสิเพื่อจะให้จิตใจของเรานี้สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้จิตของเรามันนิ่มมันตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกข้อสามอย่างก็เรียให้จิตใจมันตั้งมันนิ่มมันนิ่มอยู่กับขาา้อธรรมกรรมฐานให้มันล้นไปทางโน้นทางนี้ อือ่นมาอยู่กับตนกับตัวอืออยู่กับลมหายใจเขาออกพิจารณาอยู่เมื่อจิตใจของเรามันออกไปไปคิดทางนอกก็ค่อยดึงเข้ามาจิตของเรากลับขึ้นมาดูลมหายใจเขาออกทำไปเรื่อยอย่างนี้แหละเมื่อเราพยายามประคับประคองจิตใจของตนเองอยู่อันเข้ามันออกมันเข้ามันออกอย่างนี้ <c oughs> เราก็จะสามารถเห็นว่าโอ้จิตใจมันเป็นอย่างนี้เองตัวจิตนะถ้ามันออกมันไม่สงบนี่มันมีความทุกข์ถ้าเกิดมันเข้ามาสงบดูลมหายใจเขาออกสบายสบายพอมันนิ่งดูลมอยู่ย่านั้นเราก็ะเห็นมันวางสิ่งต่างๆที่รบกวนเขทาทั้งนอกมันออกไปหมดเลยมันก็จะเห็นความสุขขึ้นมาบ้างโอ้จิตนี่ไม่คิดมาก ถ้ยุ่งเหิงอะไรนี่มันมีความสุขจิตในอุ่นวายเราก็จะเห็นบ้างถ้ามันสงบนินดหน่อยสักห่านาทีนี่หมอเลือเลยห้านาทีไปบ้างเออ น, น่จิตทึงขึ้นหน่อยมันก็เห็นน้น้อยมีความสุขน้อยน้อยถ้าเราใส้สติสัมประสัญญาที่ลกลมเราึกเร็วรู่เร็วลู่ประครับประคองจิตใจของเราหมดได้ แค่มันอยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วเอีดสบายสบายหายใจสบายอยู่ย่างนี้จิตมันก็จะอยู่นานถ้าจิตของมันทับอยู่นานกับลมหายใจเขาออกมันไม่ไปไหนแล้วถึงอุปจารสมาธิ 30-40 นาทีแล้วจะเห็นชัดเจนขึ้นนะโอ้จิตนี่มันไม่ไปยุ่งกับอะไรเนี่ยไม่แต่กังวลกับอะไร ไม่ไปทัวร์พันกับอะไรเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเขาออกดูสบายสบายมันมีความสุขเราก็จะเห็นโอในจิตที่มันมีความสุขจิตมันมานิ่งอยู่นะั่นมีความสุขเราก็จะเข้าใจดีเกิดขึ้นนี่ว่าจิตใจสงบเป็นอุปจารสมาธิแต่บางคนนั้นมาถึงที่นี่มันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้น แสงสว่างเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรน้าเงินสีอะไรต่างๆสีขาวปนกันมิีมัมบนี่มั้ไม่ ม, มับเกิดขึ้นอันนี้บางทีสว่างมากบางทีสว่างน้อยนี่บางบุคคลจะมีอย่างนี้จิตใจมันจะตื่นเต้นเออไม่เคยเห็นแสงสว่างอย่างนี้อันนี้บุคคลที่จะสามารถเียนนิดๆต่างๆได้มันมีแสงสว่างแต่เราอย่าไปหลงกับแสงสว่างนั้น <c oughs> ถ่าแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าไปดูแสงสว่างให้หลบมาดูที่จิตว่าจิตของเราในอยู่อารมณ์อะไรจิตขางเราอยู่ในอารมณ์อะไรแสงสว่างนี้จึงเกิดขึ้นมาได้เรามาดูที่จิตนี้มีสติสัมปชัญญะมองดูจิตเออจิตอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ปล่อยวางอารมณ์ลงมาสงบอยู่อย่างนี้อยู่สบายอย่างนี้แสงสว่างมันเกิดขึ้น เมืล่ลเรารู้อย่างนั้นเราก็ไม่สนใจในแสงสว่างอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันแสงสว่างเรามาใช้สติทำประสัญญาอย่างเดิมประคองจิตให้มันสงบนานๆมันถ้ามันสงบไปถึงสัปโมงหรือสัวโมงครึ่งเราก็จะเห็นนะเออร่างกายก็บเบานั่งใดสบายเลยเ้าเรียกเบากายทุ ก, กเวทนาทั้งหลายมันจะสงบระงับไปเองการจเจริญภาวนาเอารมณหายใจเข้าออก เรียก า, าอน า, า, าปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่สามารถขีดคลายทุกเวทนาจากร่างกายเนี่ยมันเจ็บ ต, ตามรที่ต่างๆเมื่อลมหายใจก็ออกละเอียดจนเหมือนไม่มีลมเนี่ยมันจะสงบของมันเองมันจะไม่เจ็บไม่ปวดที่ไหนเขาเรียกว่ามันเบาร่างกายเขาเรียกเบากายาเมื่อเบากายแล้วก็เห็นความสุขสามารถที่จะนั่งได้นานแบนบัน สามารถที่จะนั่งได้นานถ้ากรมาดามองดูลมเก็คิดว่ามันมีลมนะเพราไม่มีลมหายใจเขาออกก็ขอเตือนไว้อย่าไปกลัวตนเองตายมาถึงที่นี่มันไม่ตายหรอกมันหายใจแล้วอี๋เฉยๆอ่าไม่ไม่สามารถที่จะจับลมมันได้ลมละเอียดถ้าจึงมาดูที่ใจของเราเนี่ยเออใจของเรานี่อยู่ที่ไหน ผมคิดว่ามันไม่มีลมตรงนั้นจะเรียกว่าจิตใจของเราเอามาวางไว้ตรงท่องน้อยหรือตรงหน้า อ, อกที่ใดที่หนึ่งเมื่อเราจะเอามาวางนี่เราเหมือนไม่มีร่างกายเราจะวางก็อย่างไนึ่งว่ามันมน้องวางก็เราสมมุติว่าเอออยู่นี่เราวางนี่แหละเรานั่งอยู่เดี๋ยวมันสตินไม่เห็นนีหรอกไม่เห็นร่างกายนี่เออมันนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็มาวางจิตของเราที่มันวัด ส, สบายสบายตอนนั้น เร <c oughs> าไปคลองมาให้มันนิ่งสงบอยู่นั่นมันนิ่งสงบเป็นสมาธิเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดังขึ้นก็ตามมันจะได้ยินนิดเดียวเท่านั้นมันก็จะวางตลอดวันนี้มันจะวางอ่าทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหายทั้งอะไรมันจะวางได้หมดอืไม่มีไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการมันจะอยู่สงบมันเห็นความสุขความสุขในจิตสงบ จิตสงบออเป็นอปนาสมาทีม่มีความสุขมากมเหตุฉะนั้นจิตใจมันได้รับความสุขตรงนี้มันจะมีปีติเกิดขึ้นคนมาพบในให ม, ใหม่โอ้ทําไมความสุขเราไม่เคยเห็นทีทีความสุขอย่างนี้นั่นก็จะขนลุกขนพองบ้างบางคนครับบางคนก็อาจจะเย็นเข้าไปในใจิตใจน้ําตาไหลตกปลุกปักปลุ ก, ป, ก, ป, ก, ป, กปักเลยบางคนอยตาโยมอย่าไปกลัวนะ มันมีความสุขมากมันก็นั่นตาร่วงมันคนก็เย็นเข้าไปในจิตในใจมันคนสมาเบาแต่เหมืนไม่มีร่างกายแต่อยู่สบายสบายมันไม่มีร่างกายเลยเบาสบายมันคนก็อมันก็ตัเด่นนี่ขึ้นไปบนฝุ่นฝ้าบนอากาศมันจะเป็นไปมันเบามากมันคนก็เหมือนตกลงไปอยู่ในเหวหนึ่งอันนั้นเหมือนกับยืนอยู่ในเหวมันมองดูกันอยู่ แต่แท้ที่จริงนั้นคือมันวางนิวัณ์ธรรมเครื่องรบ ก, กวนทั้งหลายออกจากจิต อ, อยากจิตใจแล้วมันก็เลยมีความสงบสุขเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นพอเรามาดูจิตของเราเนี่ยที่มันเห็นอยู่ลึกๆในเหงือนมันเดี๋ยว ก, กลับขึ้นมามาอยู่ที่เบ า, บาสบายที่เราตรงไปตั้งไว้ตรงหน้า อ, อกหรือท่องน้อยจุดใดจุดหนึ่งไว้จุดเดียวล้วประคองอยู่ที่ไหนมันสงบ แล้วก็ประคองว่าอย่างนั้นนะมันสงบนั้นๆยากเขีนยนเขียนว่าจิตอยู่ในอารมณ์อ่าที่มีความสงบอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้อ่าตรงที่มันไม่อยากพูดกับใครเลยมันไม่อยากได้อะไรเลยอืไม่อยากเกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั้นในระหว่างนั้นเขาเห็นความสุขเห็นความสุขความสงบเกิดขึ้นนี่แหละจิตใจของบุคคลที่คนฝึกง่ายๆก็จะสงแต่ง่ายๆ เดียเราต้องมีใจกล้าหารการสืกผลอบรมใจกล้าหารไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวว่า ม, มันจะหลงที่ครูบาอาจารย์สอนอยู่เราจะได้เข้าปรึกษาท่านว่าเราไปถึงไหนว่าได้รับควสงบอย่างไรแล้วก็เข้าไปใกล้ครูบาอาจารย์แล้วอธิบายให้ท่านฟังท่านก็จะแก้ไข ใ, ให้ได้แต่เราสงบอยู่ที่บ้านก็ดีญาติโยมหรือพระเดนมปนิกาสงบแล้วต้อง พยายามที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักจิตหรือจิตสงบดีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพลังมีจิตสงบดีแล้วมีหลักจิตเช่นมันไมีหลักจิตคือหลักสงบดีแล้วท่านจะรู้รู้กันได้ทุกองค์ท่านจะหาวิธีแก้ไขไงเพราะท่านเกิดต้องประสบมาก่อนท่านเดินมาก่อนปฏิบัติก่อนท่านจะต่อข้อธรรมกรรมฐามให้เราให้เราปฏิบัติไปได้ไม่มีปัญหาอะไร เราไม่ต้องบันไหวในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นญาติโยมก็เหมือนกันฝึกฝึกอยู่ที่บ้านในหนังสือไปอ่านก็ดีได้ฟังเทศเราไปปฏิบัติก็ดีถ้ามันเกิดประสบพบเห็นเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เพื่อจะฝึกฝนอบรมต่อเพื่อจะให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าและลุ่งเรืองอันนี้เรียวกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายส่วนบุคคลที่ฝึกยากบัน บางคนที่ฝึกยากน่ะฝึกยากบางคนนะจิตใจฟุ้งซ่านลำคานฟึ้นจนอิดจนเหนือ่อมันก็คิดไปน่นไปนี่อยู่ตล้วนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดมันก็หลีกเลื่อนไปจับสติสัมปชัญญะไม่ได้เราก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี้ยังจะติดตามควบคุมดูแลจิตใจของเราแต่ค่อยควบคุมเอาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานอันนี้คน จิตใจพุ่งสร้างทันทนี้ก็ฝุกยากกว่าคนที่ฝึกง่ายด้วยเพราะมันจิตใจมันไม่ได้ฝึกมันจะคิดมากบางคคลก็คิดไปเรื่องนานๆต่างๆไม่ได้เรื่องในราวอะไรจะหาแตเรื่องคิดทําให้จิตใจของตนเองมีความทุกข์ตลอดเลยทีเดียวแต่ยังไม่รู้ว่าจิตมันเป็นทุกข์เอ็มมันคิดอยู่มันไม่สงบมันทุกข์แน่นอนเลยทีเดียว เหตฉะนั้นแหละเราจรึงจะปลดปลผมผลอารมจิตใจของเราให้มันสงบมันจึงจะมีความสุขถ้าเราเปรียบเทียบจิตใจไม่สงบก็เหมือนนักเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราร่างกายของคนเราตอนเช้าทํางานหนึ่งสายขึ้นมาทํางานหนึ่งเที่ยงทํางานหนึ่งบ่ายทํางานหนึ่งเย็นทํางานหนึ่งกลางคืนทํางานอย่างหนึ่งต่างกายก็จะอ่อนเทียจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาได้ไง่ายๆเพราะทํางานมากเกินไปเกินกําลัง อันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันคิดเรื่องนี่แล้วก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องโน้นคิดไปเรื่องใหม่เรื่อยคิดอยู่ไม่หยุดหนึวนไปวนมาจิตก็ทุกข์สิมือมันทํางานหนักมันคิดหนักมืดมนวนตะการไปหมดกวดหัวเวียนก้าวไปไม่สบายเกิดขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยจิตมันมีความทุกข์มันคิดมากอันนี้การฝึกฝนอารมจิตใจนี่ก็จะไม่ให้ใจของเราคิดมากเท่านั้นเอง ในใคิดในทางที่ถูกต้องตามทานองของธรรมหลักพระพุทธศาสนาไปในทางที่ชอบท่านเองเราจะปึกไม่ให้จิตของเราคิดมากเร า, าคิดมากมันทุกข์มากเราจะเข้าใจอยากให้จิตของเราได้พักผ่อนคือไม่ต้องคิดมากไม่ทำงานมากนั่นเองถ้าเจียเจียร่างกายของคนเหล่านี้ถ้าทำงานสักงานสองงานเท่า น, นั้นะทำแรงเรา ม, มาอาบน้าําำกินข้าวพักผ่อนร่างกายจะอยู่สบาย แล้ค่อยเจ็บค่อยป่วยทัานใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันถ้าหากเขาทํางานน้อยอ่าทํางานที่ทําให้ตนเองมีความสุขได้งานในทางที่ชอบเราคิดแต่เรื่องหนึ่งสองเรื่องเท่านั้นไราคิดสบายๆนันก็ไม่เป็นทุกข์จิตใจแต่มันต้องเรียกคิดที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ให้เกิดทุกข์ที่มันจะมีความฉลาดอย่างนี้เราคุมไม่ให้ก่อนมันยังไม่ฉลา ด, ดจิตใจ เน่มันคิดแต่หลายอย่างเพจะคุมให้จิตใจได้นับควมสงบต้องควบคุมดูแลจิตใจเราปล่อยปละละเลยมาตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่จนเท่าจนแก่ถึงมาฝึกฝนอบรมจิตเน่มันคิดเนือรูกร้อยแปดพันประการนะไม่รู้ทั้งทุกข์ทั้งสุขมันคิดมานานวนะันนี้เราจะมาค่อยแก้ไขมาฝึกหนดทั้จิตใจของเราในพักผ่อนให้ได้สงบถึงว่ามาเจริญภาวนาทมสมาธิ ในใจิตใจของเราได้สงบนี่แหละเราใช้สติสัมปชัญญะเองคำว่า ส, สติก็คือความระลรึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวจิตคือความคิดจับให้ได้ให้รูปหลักมันจริงๆให้เป็นอย่างนี้เมื่อรู้เป็นอย่างนี้เราก็สามารถจะควบคุมดูแลจิตใจของเราให้สงบได้มันได้คิดไปอะไรในโลกนี้คิดไปอยู่กับเท่าเดิมแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่อย่างเดิม น, นี่จิตมันไม่ต้องการความทุกข์ มันต้องการความสุขมันต้องการความสุขแล้วมันไปคิดเรื่องมันทุกข์เนี่ยมันไม่อยากอยากไปคิดเแต่มันหลงมันหลงมันหลงไปคิดมันยังไม่ฉลาดนั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะหัดจิตใจของเราให้สงบอยาให้จิตใจของเรามีความฉลาดให้มีสติปัญญารักษาตนนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตทั้งคนเรา เพราะรูปร่างกายของพวกเรานี้อาศัยเรื่องจิตใจเป็นตัวอยู่ด้วยกันควบคุมอยู่ด้วยกันแต่เขาก็มีอำ น, นาจอืมแหตุฉะนั้ น, นองค์สำเด็จพระศาสดาจามสมมาสมุทิยาพาุทธุนจึงทรงตัดเป็นพาสติลามโนปุผังเข้ามาทํามามโนเศรษฐามโนมายาอืมใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วเรื่จิตใจนี่พูดองทรงตัดว่าอย่างไร จึงเรียกว่าเป็นประธานจึงเป็นใหญ่จึงเป็นหัวหน้าจึง เ, เป็นประธานในรูปร่างกายของพวกเราเป็นใหญ่ในการควบคุมอรูปร่างกายเป็นไปตามอำนาจของเข า, ท, าทั้งเท้าเขาไม่มีตัวเป็นนามธรรมนามธรรมจับต้องไม่ได้แล้วก็มาอยู่อาศัยรูปร่างกายของพวกเราแต่มีอำนาจในตรงนี้แหละให้ฉะนั้นมันรวบรวมลงมาอยู่ในจิตใจนี่เอง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่องมาอยู่ที่นี่งั้นมันอมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องมาแก้ไขในที่นี่นาฝสุดที่นี่นาฝสุดที่ใจของเรานี้เพรอยากใมันสงบให้ได้เราจึงจะค้นคั่วหารากเงาข้อมูลอาที่จิตใจของเราหลงไหลมาหลายภพหลายชาติถ้าแม้ยันว่าตายเกิดจึงในวัตฏะทั้งสามไม่ชิ่นสุดลงได้เราก็ะึงมาค้นคั่วลงมาตรงนี้เอ ง, เ, องเห็นใจเห็นของจริงและเห็นธรรมะ เห็นธรรมะอยู่ในใจของเรานี่เองธรรมะทั้งดีทั้งไม่ดีนี่แหละคนเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากทั้งละเอียดก็ดีเป็นธรรมะเหตุฉะนั้นจึงเรียบว่าสรุปลงมาเป็นกรรมกุศลละกรรมก็คือกรรมมันเป็นบาปก็เป็นธรรมะกุศลและกรรมกรรมเป็นบุญก็เป็นธรรมะ ก็จะศึกษาให้รู้ให้รู้ทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นเองเดี๋ยวนี้ในโลกสมมุติว่าอันนี้ดีอืมแล้วก็จะเรียนให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้โลกสมมุติว่าอันนี้ไม่ดีแล้วก็จะศึกษาให้รู้ว่าอันนี้มันไม่ดีมันเขาคิดว่ามันไม่ดีว่าสิ่งไม่ดีนั้นเป็นยังไงจึงว่ากันไม่ดีที่มันทุกข์ถ้าทาด้วยกายวาจาใจลงไปมันทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ตัวกรรมนั่นก็คือมาจากไหนจึงจะสร้างตัวกรรมขึ้นมาก็มาจากจิตใจที่มีเจตนาที่จะสร้างความดีหรือความชั่วเจตนามันไปทางไม่ดีมันก็เลยไปในทางที่เป็นบาปทุกก็เลยเกิดขึ้นเลยมันนั้นเขาเป็นกันอยู่ในโลกเนี่ยแม้ก็เป็นกันเจตนาเขาอยู่ด้วยกันไม่เป็นนะยังบ ร, รบลาข้าฟันเบียดเบียนกันทุบตีกันวุ่นวายอยู่ในโลกมาจากจิตใจของเขาทั้งนั้นแหละ มั น, นเขาเรียตัวเจตนามันไม่ดีเนี่ยเป็นตัวกรรมตัวนี้มือนกันนะถ้าหากคนจะอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มสามีกี่รักใคร่ตองดองกันไม่ถูกเสียงไม่ทะเลาะวิวาสเนี่ยลบลาข้าพันกันดูด้วยกันสนิทสนมกลมเกลียวเป็นฝึกแผ่นแน่นหนาอย่างนี้นม่มความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นก็มาจากตัวเจตนานี่จะอยู่ในความสงบความสามีคี่และความดีมันคนที่มีความฉลาดต้องมาจับจิตใจคิดอ่านอมาจับจิตใจนั่นเอง นี่เราจะเห็นนัดเจนอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มองโลกได้ชัดเจนเนี่ยนู่วุ่นวายโอ้มันจิตมันหลงจิตมันโง่ไม่ฉลาดเอ๊ะมันแล้วก็จะเข้าใจอันนี้พวกที่เขาอยู่มีความสงบสุขเออพวกนี้มันมีความฉลาดรู้จักทางมันสุขเพราะมันต้องการความสุขเพราะเลยมีความฉลาดตอนนี้เราจะเพิ่มสุขบนอารมจิตใจของพวกเราให้จิตใจที่มีความฉลาดนั่นเอง ถ้าจะอยู่กับบ้านกับช่องญาติ ย, ยมกับครอบครัวก็ดีกับหมู่กับผงในหน่วยงานงต่างๆมันจะไม่ถกเถียงไม่ทะเลาะวิวาดกันไม่ทุบตีข่าพันธ์นำแทงกันอยู่ด้วยความสงบในที่สุดสัมเณีน อ, อยู่ในวัดในวาก็ดีอยู่ในประเทศบัดใดอวาวัตใดอยู่ที่ไหนร่วมกันแล้วเนี่ยมีความสามัคคีปองดองกันอยากอยู่ความสงบหมดมันจะมีความรลงลุงแังยุ่งเหยิงอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีหละทนายสงก็ไม่มี นี้มันตรงนี้แหละมันออกมาจากจิตใจมาน่าจะให้มันดีแล้วต้องมาฝึกจิตใจว่าอะไรมันถูกมันผิดอืมมันเดินทางอย่างไรปฏิบัติอย่างไรที่มันถูกมันผิดจริงเนี่ยศึกษาเรื่องสัจธรรมมันเป็นของจริงอย่างนี้มันจึงจะทําให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาได้นี่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่ก็ดีเพราะอะไรใทยก็อยากสงบเหมือนกันใทยก็อยากสุขเหมือนกัน มันก็ต้องรู้จักตึงรู้จักทางมันถูกต้องที่จะเดินเข้าไปถูกทางอืมจะเรียกว่าการเดินทางการปฏิบัติสงขานอบรมจิตใจให้สงบแล้วจะรู้จะรู้เรื่องเองจิตใจเขาจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นของเขาเองอือทั้งตนเองแบบมีความสงบสุขหรือเมื่อมันสงบทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วเขาก็เห็นละความสุขอันนี้เขาจะคิดต่อคิดต่อจให้มันสงบคนนี้มันดีกว่า น, นี้ มันจะคิดยังไงมันต้องคิดอานขึ้นมาอมืคิดอานขึ้นมาในตัวของเขาเรา <f cool> จะสร้างพัฒนาขึ้นม า, ขนมาเขาเรกว่าสร้างสติปัญญายให้เกิดขึ้นมาในตัวเขาเพราะเขาอยากสงบตรง น, นี้แหละมันจะเกิดขึ้นจากที่การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดไม่ว่าพิจูุัสมเนรและญาติโยมทัชาท่านศายดสุสมทั้งหลายถ้อาอยากมีความสงบสุขแล้วจึงพาการตั้งใจฝึกฝนอบรม จ, จิตใจ แต่จะให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิให้ได้แต่อย่าไปวุ่นวายค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติทุกวันทุกวันอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีผู้ที่อยู่วัดทิกอยู่ทำมณีนก็มีความตั้งจิตตั้งใจอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนอยู่กับพิจารณาตรวจตาดูจิตใจไปเรื่อยไม่จะปัดกวดวัดก็ดีพิกษุสำมณีน อ, อยา่าโยมปัดกวดบ้านก็ดีทําการงานอะไรรู้จิตใจของตนเองไปเรื่อยเรื่อยๆ อยารู้จักว่าตนเองต้องการความสุขอะไรมันจะถูกตั้งจริงๆปฏิบัติในชีวิตนี่นะพิจารณาในจิตความติดชมอ่านทั้งกิีบตนเองด้วยเป็นผู้มีสติปัญญานิสิติจารณาให้ควรไต่ตองนิสิติจารณาแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนในทีเดียวโอ้นะตั้งแต่ก่อนเราไมา่ได้ฝึกฝนบำบัดจิตใจแนมะ้ทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งหมดุดหงิดเพราะมันหลงไปหลายอ ย, าย่างเกินไปมันลุ่มหลง เม่อจิตใจสงบก็มีความฉลาดเกิดขึ้นโอ้สิ่งนั้นเคยหลงไปโกรธเคยเกลียดเคยหงุดหงิดอะไรต่างๆมันจะค่อยลดละไปเรื่อยๆว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีมันก็จะละของมันเองใจอืมก็ละไปเรื่อยๆไปทาสิ่งนี้โอ้มันไม่ดีแล้วพูดสิ่งนี้มันถกมันเถียงมันไม่ดีแล้วคิดอย่างนี้มันไม่ดีแล้วมันจะรู้จักเองมันอย่างนั้นเราจะว่าคุณว่าการฝึกฝนลมจิตใจให้สงบไม่จะมีความฉลาดเกิดขึ้น แก้ปัญหาของตนเองอเราไม่ได้คอยให้ผู้อื่นแก้ปัญหาเนมะื่อปัญหาเกิดขึ้นเราไปจะแก้ปัญหาเราก็เรียกว่าเราเป็นผู้เสียสลักงะความชั่วสิ่งไม่ดีออกจากใจของตนเองอยากให้ใจของเราสะอาดจากให้ใจของเราดีเหาฉะนั้นการบรรยายทำเรื่องการสุดฝนอบอรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจสงบเป็นสมาธิ เพื่จะให้จิตใจของเรามีสติปัญญารักษาตนเพื่อจะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอาจจะต้นจนวาชานิยมประพระมวยพรใน้ติสุสัมมาเนรุบาสุบาสิกาจงเป็นผู้ได้รับความสงบและมีสติปัญญากดเครื่องแก้ไขความทุกข์ออกจากตนให้พ้นไปและรับถึงความสุขตามความเมตตาทันาแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบ จนถงเวลาินเสียงผู้ยาค่อยคลาออกจากความสงบ